ตอนที่สิบแปดเปิดร้านแล้วในช่วงค่ำโจวเวยหมินได้นำเตาที่ดัดแปลงแล้วกับหม้อมาส่งแถมยิ่งเข็นฐานรังเพิ่งมาให้เต็มรถเข็นอีกด้วยนี่เป็นฐานที่เหลือจากปีที่แล้วน่าจะพอใช้ไปได้สักพักครับซูมานอินรู้สึกพอใจมากโจวเวยหมิงคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์จริงใจส่วนซุนจิ๋วหลิงลูกสะใภ้ของเขาก็เป็นคนขยันขันแ ข, ข็งและเอาการเอางานยิ่งกว่า ซุนจิ๋วหลิงลงมือทดลองใช้เตาด้วยตัวเองและสอนวิธีอุ่นหมรวมถึงวิธีสับเนื้อให้ซูม่านอินและลูกสไปธ์ทั้งสองคนตลอดทั้งคืนโชคดีที่วันแรกไม่ได้เตรียมไว้มากนักเตรีมโวไว้เพียงหกิชิ้นเท่านั้นช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเนื้อมีน้อยเกินไปคุณแม่ค้ลองทํามันฝรั่งผัดก า, กากหมูมาสอดไส้กินดูดีไหมคะซุนจิ๋วหลิงเสนอแนะอยู่ข้างๆตาฮัวกับเสียวซวิชอบเอมมันโถมาสอดไส้กินแบบนี้มากเลยคะ่ะเอื้อคุณยา่าทำมันฝรั่งผัดก า, กากหมูหอมมากเลยนะ ซูมานอินและชินเสี่ยวเย่เว่ต่างก็รู้สึกสงสัยว่าเจ้ามันฝรั่งผัดกา ก, ากหมูที่ว่า น, นี้มันคืออะไรเมื่อเห็นดังนั้นซุนจิ๋วหลิงจึงบอกให้สามีกลับบ้านไปเอากากหมูกับมันฝรั่งมาเล็กน้อยพอเตรียมวัตถุ ด, ดิบครบแล้วซุนจิ๋วหลิงก็เริ่มลงมือทำทันทีเธอเริ่มจากปอกเปลือกหั่นเป็นเส้นแล้วนำไปแช่น้ำจากนั้นใช้พริกขิงซอยและกระเทียมแผ่นผัดกับน้ำมันหมูจนหอมฟุ้งก่อนจะใส่มันฝรั่งเส้นที่สะเด็ดน้ำแล้วลงไปผัดปรุงรสแล้วโรยกากหมูปิดท้ายก่อนตักขึ้นใส่จาน ชินเสี่ยวเยเวที่กำลังเล่นอยู่กับต้าฮวาและเสี่ยวสวีพอได้กลิ่นหอมนี้เขาก็รีบถือหมโววิ่งรี่เข้ามาทันทีโดยไม่รอให้ซูมาร์ตอินอนุญาตเธอก็ใช้ตะเกียบขีปมันฝรั่งเข้าปากคำโตอื้อหือพี่สะพายรอมันฝรั่งนี่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยข้าหอมมากกินกับแป้งแล้วเข้ากันสุดๆเธอกัดหมโไปคำหนึ่งแล้วคีบมันฝรั่งตามเข้าไปอีกคำใหญ่ซูมานอินหัวร้องพังดูว่าเธอทำตัวไม่มีมารยาทแต่พอได้ลองชิมเองแล้วเธอก็รู้สึกประหลาดใจในรสชชาติทีี่่่ยยอดเมเมนนกัน จิวหลิงเอ๋ยฝีมือระดับนี้เธอไม่ควรถูกฝังตัวอยู่แต่ในบ้านเลยจริงๆซูมานอินกล่าวชมจากใจจริงก่อนจะหันไปหยอกล้อโจเว่หมินว่าเว่หมินตาถึงจริงๆนะที่ได้ภรรยาดีขนาดนี้โจเว่หมินถูกชมจนหน้าแดงคุณแม่ครับจิวหลิงเธอก็แค่เป็นคนจริงใจเกินไปหน่อยเท่านั้นเองความเป็นคนจริงใจนัะเป็นเรื่องดีแสดงว่าเป็นคนดีซูมานอินกล่าวด้วยรอยยิ้มการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจถือเป็นคุณธรรมหากไม่ชื่นชมเรื่องนี้จะให้ไปชื่นชมพวกคนผ่านเจ้าเล่หรือ ย, ยังไง คำพูดเพียงประโยคเดียวของซูมานอินช่วยคลายปมในใจของโจเว่หมินจนหมดสิ้นนั่นสีลนคนที่ผิดคือพวกคนพานที่จิตใจซับซ้อนคอยแต่จะจ้องวางแผนต่างหากภรรยาของเขาจิตใจดีงามและจริงใจต่อผู้คนย่อมไม่ผิดไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเช้า ว, วันรุ่งขึ้นซุนจิวหลิงก็มาช่วยงานอีกครั้งเอลต้าฮาวากับเสี่ยวสวีล่ะจ๊ะชินเสี่ยวเย่เว่เห็นเธอมาคนเดียวจึงถามถึงเด็กๆ ด, ด, ด้วยความเป็นห่วง เว่ยหมินพาพวกเขาไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลโรงงานท่ผ้าแล้วคะ่ะซุนจิวหลิงยิ้มอย่างเขินอายเว่ยหมินบอกว่าต้าฮาวากับเสี่ยวสวี่ก็โตพอสมควรแล้วใกล้จะถึงวัยเข้าเรียนแล้วเลยให้ไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลในโรงงานก่อนและให้ฉันมาช่วยคุณแม่ตั้งแผงขายของเพื่อฝึกฝนฝีมือคะ่ะเมื่อได้ยินว่าสุนจิวหลิงจะมาช่วยตั้งแผงด้วยซูมานอินและฉินเสี่ยวเยาก็ดีใจมากดีเลยมีเธออยู่ด้วยฉันกับเสี่ยวเยเว่จะได้มีที่พึ่งหลักเสียทีซูมานอินกล่าวอย่างยินดี สุนจิวหลิงรีสายหน้าและโบกมือพลวันคุณแม่คะคุณแม่ต่างหากที่เป็นที่พึ่งหลักของพวกเราผู้หญิงทั้งสมคนช่วยกันเข็นจักรยานไปเลือกทําเลตั้งแผงตรงทางขึ้นบันไดหน้าโรงงานทถผ้าเมื่อเห็นว่าใกล้จะถึงเวลาเลิกงานช่วงเที่ยงทั้งสาคนก็รีบจัดแจงกลางแผงและเริ่มวุ่นวายกับการเตรียมตัวเนื่องจากเนื้อถูกตุนไวเรียบร้อยแล้วไปจีหมก็เพียงแค่ต้องอุ่นให้ร้อนเท่านั้นสิ่งเดียวที่ยุ่งยากหน่อยก็คือมันฝรั่งผัดกา ก, ากหมู เมื่อวานพอกลับไปซุนจิวหลิงก็ขุดเอากากหมูที่เหลือทั้งหมดในบ้านออกมาวันนี้เธอจึงผัดมันรวดเดียวจนหมดไม่นานนักมันฝรั่งผัดกากหมูชําเล็กเ ก, ก็เสร็จสมบูรณ์เพราะอากาศร้อนจึงไม่ได้ปิดฝาไว้ส่งผลให้กลิ่นหอมนั้นฟุ้งกระจายไปทั่วหน้าประตูโรงงานอย่างรุนแรงคนงานหญิงสองสามคนที่เพิ่งเปลี่ยนก็เดินผ่านมาพอดีเมื่อได้กลิ่นหอมก็พากันเดินเข้ามามุมดูนั่นอะไรนะทาไมหอมขนาดนี้ อ, อโรเจียหมูกับมันฝรั่งผัดกากหมูสอดไส้หมูค่ะซูมานอินแนะนําด้วยรอยยิม้มโรเจียหมูคืออะไรเหรอแล้วหมูคืออะไรละ่ะนั่นสีไม่เคยได้ยินชื่อเลยซูมานอินหยิบไบจีหมูออกมาชิ้นหนึ่งใช้มีดผ่าตรงกลางจากนั้นก็คีบเนื้อชิ้นเล็กๆออกมาสับจะละเอียดแล้วป้ายลงไปข้างในพวกคนงานหญิงพอเห็นเนื้อก็เริ่มน้ํำลายสอแล้วยิ่งพอเนื้อถูกสับกลิ่นหอมก็ยิ่งรุนแรงจนฉุดไม่อยู่ ซูมานอินชูโรเจีย๋ยหมูที่ทําเสร็จแล้วขึ้นโชว์ส่วนซุนจิ๋วหลิงที่อยู่ข้างๆก็คีดมันฝรั่งเส้นใส่ลงในหมูแล้วชูขึ้นเลียนแบบเช่นกันนี่คือโรลเจีย๋ยหมูกับมันฝรั่งผัดกากหมูสอดไส้หมูค่ะซูมานอินอธิบายด้วยรอยยิ้มโรลเจีย๋ยหมูชิละสี่เม่าส่วนมันฝรั่งผัดกากหมูชิ้นละสองเม่าค่ะชิ้นเสียวเย่ากําลังจะบอกว่าราคานี้มันออกจะต่ําเกินไปหน่อยไหมแต่ปรากฏว่าเหล่าคนงานหญิงในที่นั้นต่างพากันร้องว่าแพง นี่มันแพงเกินไปแล้วสี่เหมานี่ซื้อกับข้าวที่มีเนื้อจานเล็กๆในร้านอาหารรัฐวิสาหกิจได้เลยนะนั่นสี่เท่าแก่คุณขายแพงเกินไปแล้วลดหน่อยเถอะชิ้นเสี่ยวเย่เว่แทบจะทำลูกตาหล่นลงพื้นสีเหมายังว่าแพงอีเธอแค่อ่านนิยายวันเดียวก็ได้เงินตั้งหนึ่งหยวนแล้วนะซุนจิวหลิงที่อยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าแพงไปนิดเช่นกันแม่เล็กหรือว่าพวกเราซูม่านอินโบกมือห้าม ขอโทษด้วยนะคะพวกเราแม่สามีลูกสะใภ้เพิ่งเริ่มทำธุรกิจมันลำบากมากจริงๆลดราคาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคะ่ะซูมานอิมชี้ไปที่หมูสามชั้นส่งกลิ่นหอมฉุยในหมอ้อแล้วกล่าวว่าเนื้อพวกนี้พวกเราต้องไปเข้าแถวรอใช้ทั้งเงินและคูปองเนื้อซื้อมานะคะแต่ทุกคนกินโรเจมันี่ไม่ต้องใช้คูปองเนื้อเลยสิเหมาต่อชิ้นนี้ไม่ได้คิดเกินเลยจริงๆคะ่ะพูดจบนางก็ขยิบตาให้ฉินเสี่ยวเยเว่ชินเสี่ยวเย้าแอบงงเพื่อนรักคนนี้กำลังจะทำอะไรกันแน่ ซูมานอินเมมปากเตือนเสียงเบาว่าไลฟ์กลยุทธ์ไงชิ้นเสี่ยเวเย่เวเข้าใจในทันทีรีบพยับเข้าไปหาแม่คาคนเหล่านี้ล้วนเป็นพนักงานโรงงานทอผ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อนะคาแล้วก็เป็นเหมือนครอบครัวของเราด้วยวันนี้เราเปิดร้านวันแรกยังไงราคาก็ต้องมีส่วนลดให้หน่อยถึงจะถูกคะ่ะซูมานอินทำท้าเหมือนเพิ่งได้สติ จริงด้วยแม่นี่เลอะเลือนจริงๆทุกคนยังช่วยบริจาคเงินให้เราพวกเราจะมัวแต่คิดเรื่องกําไรได้ยังไงเราต้องตอบแทนทุกคนสี่เอาอย่างนี้วันนี้ไม่ขายสี่เมาสไม่ขายสาเมาโ์เรเจียมัวเหลือชิ้นละสองเมาส์ส่วนไส้มันฝรั่งเหลือชิ้นละหนึ่งเมาส์เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็เริ่มปรึกษาหารือกันอีกครั้งประจบเหมาะกับเป็นเวลาเลิกงานพอดีคนงานจํานวนมากพากันหลั่งไหลออกมาต่างก็ได้กลิ่นหอมจนต้องเดินตามกลิ่นมาดูซูมานอินเพิ่มระดับเสียงเริ่มตะโกนร้องเรียก โรเจอร์มูชิ้นละสองเมาสจ้าโรเจีย์มัวไส้มันฝรั่งผัดกากหมูชิ้นละหนึ่งมาสจ้าคนงานหญิงกลุ่มแรกต่างพากันควักเงินซื้อกันคนละชิ้นทั้งโรเจียม์มัวและโรเจีย์มัวไส้มันฝรั่งเมื่อได้รับแป้งทอดมาแล้วพวกนางก็กัดลงไปคําหนึ่งทันใดนั้นก็เหมือนโลกใบใหม่ถูกเปิดออกต่างพากันเอ๋ยปากชมไม่ขาดสายโรเจียม์มัวนี่หอมจริงๆไส้มันฝรั่งผัดกากหมู น, นี่แหละที่อร่อยสุดๆโอ้ยฉันเหมือนเห็นคุณย่าทวดเลยอยากจะร้องให้จริงๆ เมื่อคนอื่นๆได้ยินเช่นนั้นก็พากันควักเงินแย่งกันซื้อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกระทันหันทําให้หญิงสาวทั้งสามคนตั้งตัวแทบไม่ทันซูมานอินจัดแจงให้ชินเสี่ยวยาวยัดจัดระเบียบแถวเพราะอย่างไรเสียเรื่องการทําอาหารซุนจิวหลิงก็ทําได้คล่องแคล่วกว่าแต่น่าเสียดายที่เสียงของฉินเสี่ยวเยเว่บเกินไปแถมคนหญิงเยอะมากจึงแทบไม่ได้ผลอะไรเลยในขณะที่กําลังยุ่งจนหัวหมุนอยู่นั้นก็มีเสียงทุ้มต่ําเสียงหนึ่งดังขึ้น สหายซูมานอินขอให้ผมสักสองชิ้นมาลองชิมดูหน่อยได้ไหมไม่ว่าใครมาก็ต้องอตทำไมถึงเป็นคุณละ่ะ